วิธีสมมุติและกรรมวาจาสมมุติติจีวราวิปปวาทสีมาเว้นบ้านและอุปจารบ้านภิกษุทั้งหลายพึงสมมุติแดนไม่อยู่ปราศจากไกรจีวรเป็นหมู่บ้านและอุปจารหมู่บ้านอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าข้อหนึท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกัน แห่งใดที่สงสมมุติแล้วถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไรจีวรเว้นหมู่บ้านและอุปจารหมู่บ้านนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสมานสังว่าสสีมามีอุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมุติแล้วสงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไรจีวรเว้นหมู่บ้านและอุปจาร์หมู่บ้าน ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมุติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสีมานั้นส่งได้สมมุติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นหมู่บ้านและอุปจาร์หมู่บ้านแล้วส่งเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้